ครั้งหนึ่งนะคนเข้าร่วมก็ประมาณสักี่สคนมีช่วงหนึ่งวิทยากรก็ถามผู้เข้าอบรมว่าใครบ้างที่กลัวตายแล้วก็ให้แต่ละคนถามตัวเองว่ากลัวตายบ้างไหมหรือกลัวตายมากน้อยเพียงใดแล้ววิทยากรก็ให้แต่ละคนเนี่ย ยืนอยู่ในตำแหน่งที่สัมพันธ์กับความกลัวตายเช่นใครที่ไม่กลัวเลยก็ไปอยู่อีกมุมห้องหนึ่งใครที่กลัวตายสัก5ซ็ก็มายืนอยู่กลางห้องแล้วใครที่กลัวตายเต็มที่เลยหรือ1 0 0ซก็ยืนอยู่อีกมุมห้องหนึ่ง ราะว่าคนที่คิดว่าตัวเองกลัวตายมากๆเนี่ยหลายคนทีเดียวนะก็ไปยืนออกันอยู่ตรงมุมห้องหนึ่งอ่าอีกด้านของห้องวิทยากรก็ถามว่าทำไมถึงกลัวตายมองผนก็บอกห่วงลูกห่วงลูกก็เลย ยังไม่อยากตายยังกลัวตายอยู่บางคนก็บอกว่าห่วงพ่อแม่พ่อแม่ไม่มีคนดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยังกลัวตายอยู่ยังไม่อยากทิ้งพ่อแม่ไม่มีคนหนึ่งที่จริงก็มีอยู่ทักงสองสาคนนะบอกว่าที่กลัวตายเพราะว่าตอนนี้มีความสุขมากเลย มีความสุขเพราะว่าลูกก็น่ารักเด็กดีตั้งใจเรียนสามีก็ดีการงานก็ก้าวหน้ามั่นคงก็มีความสุขมากตอนนี้เราเลยกลัวตายยมันก็น่าคิดนะความสุขเนี่ย มันก็สามารถจะเป็นสาเหตุแห่งทุกข์ได้เพราะความกลัวตายก็เป็นทุกข์ชนิดหนึ่งนะแล้วที่กลัวตายก็เพราะว่ามีความสุขมากนะกับชีวิตในวันนี้ไอ้ความสุขนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้คนปรารถนาเป็นสิ่งที่ถือว่าดีนะแต่ว่ามันก็สามารถจะเป็นเหตุแห่งความทุกข์ได้คือทำให้กลัวตายนี้ก็เป็น เป็นเหตุผลที่น่าสนใจความสุขเนี่ ย, ยรืยเฉพาะความสุขเพราะครอบครัวที่ดีเพราะการงานที่ก้าวหน้ามันก็เป็นสิ่งที่ผู้คนปรารถนาแต่ว่าในแง่นี้มันก็มีโทษนะเพราะมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ที่ชื่อว่าความกลัวตาย นักพินนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขายังยังหวงแหนความสุขเนี่ยยังไม่อยากละทิ้งความสุขในวันนี้เพราะว่าถ้าตายเนี่ยก็คือว่าความสุขทั้งหมดทั้งมวล ท, ที่มีตอนนี้มันก็สูญสลายหายไปเรียกยังเรียกว่ามีความหวงแหนความสุขมันดีเหลือเกินมัน ให้ความสุขที่ดีเหลือเกินก็เลยไม่อยากจะสูญเสียมันไปให้ความตายนี่มันก็ถือว่าเป็นที่มาแห่งความสูญเสียทั้งมวล น, นะมีความสุขเท่าไหร่ก็ต้องสูญเสียหมดเมื่อสิ้นลมแต่ว่าสำหรับผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะ แค่นึกถึงความตายก็กลัวแล้วเป็นทุกข์นี่ขนาดแค่ความคิดนะคิดถึงความตายขึ้นมาก็กลัวบางคนกลัวตายเพราะกลัวจะไปอบายบางคนกลัวตายเพราะรู้สึกว่ามันจะต้องตามมาด้วยความความเจ็บความปวด อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้หรือว่าเป็นเรื่องที่ใครๆก็อยอมรับกันแต่การที่ควรเรามีความสุขอย่างยิ่งหรืออย่างล้นพ้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยมันก็สามารถทําให้เราเป็นทุกข์ได้เพียงแค่นึกถึงความตายนี่ขนาดแค่นึกนะ แล้วถ้าเกิดความตายมันเป็นจริงมันจะทุกข์สักเพียงใดนะทั้งๆ ท, ที่อาจจะตายโดยที่ไม่ได้มีทุกขเวทนาอย่างโรคมะเร็งนะอย่างโรคไตาวายหรือว่าโรคโควิดนจะเพียงแค่ พบว่าไอ้ความสุขทั้งหมดทั้งมวลที่มีอยู่มันกำลังจะหมดไปเนี่ยมันก็ทำให้คนจนไม่น้อยนี่มีความทุกข์อย่างยิ่งนั่นงในแง่นี้ในความสุขเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเสมอไปนะมันสามารถจะเป็น ที่มาหรือสาเหตุแห่งความทุกข์ได้แล้มันไม่ใช่แค่เฉพาะความสุขจากความสุขเพราะลูกความสุขเพราะครอบครัวที่อบอุ่นความสุขเพราะงานการที่ดีความสุขอื่นก็แล้วแต่ก็เหมือนกันอาจจะพูดได้ว่าเนี่ยไอ้ความสุขกับความทุกข์นี่มันแยกจากกันไม่ออกเลยก็ว่าได้ อะไรที่ให้ความสุขกับเราก็สามารถจะทำให้เราเป็นทุกข์ได้อะไรที่ให้ความสุขมากๆล้นพ้นกับเราก็สามารถทำให้เราทุกข์แสนสาหัสได้อันนี้มันเป็นสัจธรรมเลยนะื่องปู่จ่าเนี่ยก็เคยเคยตรัสนะมีคราวหนึ่งท่านพระองค์ผู้จ้าก็สนทนากับเทวดาเทวดาบอกว่า มีโคก็สุขเพราะโคมีลูกก็สุขเพราะลูกผู้จาก็ตรัสว่านเนี่ยมีโคก็ทุกข์เพราะโคมีลูกก็ทุกข์เพราะลูกไม่ได้แปลว่ามีโคไม่มีความสุขนะไม่ได้แปลว่ามีลูกไม่มีความสุขนะมันก็มีเหนะแต่ว่ามันก็พ่วงมาพ่อกับความทุกข์มาลองดูเถอะนะอะไรที่ให้ความสุขกับเราเนี่ยมันก็สามารถทำให้เราเป็นทุกข์ได้ ไม่ใช่สุขเพราะลูกนะอย่างเดียวบางคนสุขเพราะรถยนต์น ะ, ะได้รถคันใหม่ซปเปอร์คาร์ก็มีความสุขแต่ถ้าเกิดรถมันเกิดถูกขี่ถูกควนหรือว่าถูกขโมยไปมันก็ทุกทันทีเลยบางคนมีความสุขเพราะได้เที่ยว ได้ไปเที่ยวที่โนนที่นี่ในประเทศต่างประเทศเอนจอยนะการกินอาหารต่างชาติได้เห็นอะไรแปลกแป ล, แปลใหม่ๆแต่พอถึงวันที่ไปเที่ยวไม่ได้นีจิตใจมันตกวูบเลยนะเหมือนกับช่วงโควิดเนี่ยหลายคนเป็นทุกข์มากเพราะว่าไม่ได้เที่ยวเหมือนก่อนหรือยิ่งกว่านั้นคือว่าร่างกายมันเกิดแก่ชารา พอแก่ชาราทุกพลภาพเนี่ยโอ้โหคนที่เป็นนักเที่ยวนี่ง่อยไปเลยนะอันนี้ว่าสุขพราเที่ยวนะก็ทุกเพราะเที่ยวเหมือนกันเมื่อความโอกาสในการเที่ยวมันแปรเปลี่ยนไปบางคนก็มีความสุขพรามีคู่ครองที่ดี เการที่คนเรามีคู่ครองที่ดีเนี่ยนะมันเป็นเหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เลยนะโดยเพราะถ้าเกิดว่ามีสา ม, มีที่ดีเนี่ยมันยิ่งก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อีกมีความสุขด้วยกันมา50ปีนะไม่มีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันเลยสามีซื่อสัตย์นะเอาอกเอาใจภรรยาอยู่กันด้วยความเข้าอกเข้าใจกัน ว่ามันคงจะหาความสุขแบบนี้ได้ยากนะสำหรับคาราวาแล้วก็น่าจะเป็นที่อิจฉาของผู้คนมากมายเพราะว่าดีนี้เราก็เห็นนะคู่ครองทะเลาะบ่าแววงกันนอกใจกันนะบางทีก็ไม่พูดกันเลยนอนคนละห้องแต่ใครที่มีคู่ครองที่ดีนะเ อ, เ, อเอาใจกันหรือว่า มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันโอ้มันยิ่งกว่าเป็นโชคเนี่ยมันเป็นความสุขอย่างยิ่งเลยสาบคนจนวนไม่น้อยแต่เกิดคนใดคนหนึ่งล้มหายตายจากไปเนี่ยไอความสุขที่มีอยู่นี่มันแปลสภาพกลายเป็นความทุกข์ทันทีเลยแค่ข้ามคืนเท่านั้นแหละชีวิตนี่เคว้งเลย รู้สึกว่างเปล่าไม่รู้จะอยู่ไปทาไมรือด้วยซ้ำนหลายคนจะมีความสึกแบบนี้มันไม่รู้จะอยู่ไปทำไมแล้วเพราะว่าคู่ครองคนรักนะล้มหายตายจากแบบมันตรงข้าวกับตอนที่อยู่ด้วยกันนะตอนที่อยู่ด้วยกันว่ามีความสุขมากเป็นที่อิจฉาของผู้คนอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะอะไรที่ให้ความสุขกับเราเนี่ย สุขเพราะคู่ครองก็ทุกข์พคู่ครองบางทีผู้ครองไม่ได้ร่วมหายตายจากอะไรไปแต่ก็แปลเป็นอื่นไปน อ, นอกใจหรือบางทีเขากลายเป็นอาใส่เม๋อนะโรคหรือเป็นโรคซึมเศร้าเงี้ยกลายเป็นคนละคนไปเลยฝ่ายหนึ่งนี่ที่เคยมีความสุขก็กลายเป็นทุกข์ทันที บางคนก็มีความสุขเพราะงานนะทำงานมีความสุขมากเดี๋ยว่าคนจีนจำนวนไม่น้อยนะมีความสุขการทํางานไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่รู้จักสาวอาทิตย์เลยเพราะไม่รู้จะหยุดไปทําไมเพราะทํางานก็มีความสุขอยู่แล้วแต่พอถึงวันที่แก่ชาราทําอะไรไม่ค่อยได้ละหรือว่าป่วยติดเตียงเนี่ยหลายคนนี่ทุกข์ทรมานมากนะ ไม่ใช่ทุกเพราะว่าโรคภยัยไข้เจ็บนะแต่ทุกเพราะว่ามันไม่ได้ทางานเหมือนเมื่อก่อนรู้สึกว่าตัวเองนี่ไร้ค่าชีวิตมันว่างเปล่ารู้สึกว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมนะเป็นมากเลยนะนี่ก็เหมือนกันนะเป็นสุขพ้องงานก็ทุกพ้องงานยังไม่นับประเภทว่าถึงแม้จะ ไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรแต่ว่างานมันล้มเหลวงานมันไม่เป็นดั่งใจทุ่มเทไปให้กับงานแล้วแต่งานมันไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการก็เครียดนะแล้วก็บางทีถึงกับหมดสภาพไปเลยนี้ก็เหมือนกันนะสุขพองงานก็ทุกพองงาน นี่มันนี่คือสัจธรรมเลยทีเดียวจะจะพูดอีกอย่างก็ได้ว่าไอ้ความสุขเนี่ยมันมักจะพ่วงมาด้วยความทุกข์แต่คนมักจะไม่ตระหนักนะว่าความสุขที่มีอยู่หรือความสุขที่สแสวงหากันเนี่ยโดยเฉพาะความสุขทั้งโลกเนี่ยมันพ่วงมากับความทุกข์เสมอไปนี่ยังไม่ได้พูดถึงความสุขจากการกินดื่มเที่ยวเล่นนะซึ่งมัน มันเจอไปได้วยทุกอย่างชัดเจนมันทุกตั้งแต่แสวงหาทุกตั้งแต่การรักษาแล้วในความสุขในทางโลกเนี่ยทุกชนิดเลยก็ว่าได้แล้วมันพ่วงมามันมีความทุกพ่วงมาด้วยมันเป็นแพ็ k เกจนะแต่คนมักจะไม่ค่อยไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่ว่า ไอ้สุขที่ตัวเองมีนะมันเจอไปด้วยทุกข์หรือว่ามันพ่วงมามันมีความทุกข์พ่วงมาด้วยมันเป็นแพนะ็กเกจที่จะเลือกอันใดอันหนึ่งไม่ได้จริงๆมันก็เหมือนกับหัวกับก้อยนะหัวกับก้อยเนี่ยในเหรียญเนี่ยนะมันก็มาด้วยกันนะมีหัวแต่ไม่มีก้อยเป็นไปไม่ได้ หรือว่าหน้ามือกับหลังมือเนี่ยมันก็ติดมาด้วยกันสุขกับทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะถ้ามีความสุขเราจะต้องตามด้วยความทุกข์เสมอไปนะบางทีมันก็ไม่ได้อะาจะาฟันธงขนาดนั้นเราสามารถจะมีความสุขได้นะโดยที่ใจไม่ทุกข์ ถ้เกิดว่าเราไม่หลงเพลินในความสุขนั้นเราตระหนักว่าความสุขที่มีอยูไ่ไม่เที่ยงเราตระหนักว่าสิ่งที่เป็นบอกเกิดแห่งความสุขมันไม่ยั่งยืนไม่ว่าจะสุขเพราะงานสุขเพราะเที่ยวสุขเพราะลูกสุขเพราะคนรักสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ไม่เที่ยง สามารถจะแปลผันหรือว่าสูน์สลายหายไปได้แม่นายางที่เรามีความสุขเนี่ยถ้าหากว่าเราตระหนักถึงความไม่เที่ยงของที่มาแห่งความสุขหรือแม้กระทั่งตัวความสุขเองเนี่ยถึงเวลาที่สิ่งนั้นมันเสื่อมสลายหายไป ก็ไม่ทุกนะเหตุแทงความทุกเนี่ยไม่อยู่ที่ความเสื่อมสลายหายไปจริงๆแล้วเนี่ยจะมันอยู่ที่เพราะมันอยู่ที่ความไปยึดติดถือมั่นในความสุขหรือที่หมายความสุขต่างหากอันนี้จังหรือความไม่แน่นอนที่ หมายถึงความเสื่อมสลายนะจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุแห่งทุกข์แต่เหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยมันก็คือความยึดติดถือมั่นในใจเราที่มีต่อความสุขหรือสิ่งที่ให้ความสุขกับเราต่างหาก นี่กิว่าเราขณะที่เรามีความสุขไม่ว่าเพราะลูกเพราะครอบครัวเพราะงานกงานการก็ตามเราก็ตันหนักว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงนะมันเป็นของชั่วคราวไม่ยั่งยืนมันก็ทําให้เราเนี่ยคลายความยึดมั่นถือมัน่นไม่หลงไหลเพลิดเพลินผู้เจ้าเคยตรัสนะกับพระนันทิยะ แล้วก็พระนันติยักษ์ก็มาเล่าให้พระองค์คุริมานฟังเนะ่ยมีประโยชน์หนึ่งผู้เจ้าตัดว่าผลแห่งความดีย่อมเป็นภิกแก่ผู้ไม่พิจารณาแล้วลหลงไหลยึดติดในสิ่งนั้นจนประมาทมัวเมาผลแห่งความดีเนี่ยท่านหมายถึงลาบสักการะชื่อเสียงแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผลแห่งความดีที่เป็นภิกแก่ผู้ไม่พิจารณานะ ความสุขก็เหมือนกันนะความสุขก็สามารถจะเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณาได้ความสุขสามารถเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณาแล้วลหลงไหลยึดติดในสิ่งนั้นจนประมาทโมเมาประมาทโมเมาก็คือว่าคิดว่าเนี่ยมันจะสุขไปชั่ว น, นินิรันต์หรือว่าประมาทว่า ไอ้สิ่งที่ให้ความสุขเราเนี่ยมันจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไม่ว่าจะเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นคู่ครองไม่ว่าจะเป็นงานการทรัพย์สมบัติหรือแม้กระทั่งร่างกายสุขภาพนั้นมีความสุขก็ได้นะมีความสุขโดยไม่ทุกข์เมื่อความตายมาถึงหรือมีความสุขแต่ไม่ทุกข์ แม้ว่าจะความสูญเสียพัดพลาดจะเกิดขึ้นมันก็ทำได้นะหากว่าเราพิจารณาใคร่ครวนย้ำเตือนอยู่เสมอว่ามันไม่เที่ยงในความสุขที่เรามีอยู่ในวันนี้มันเป็นของชั่วคราวอย่าไปยึดติดถือมั่นกับมันมากเพราะถ้าเรายึดติดถือมั่นกับมันเนี่ยมันก็ เท่าก็ว่าเราเตรียมตัวหรือเตรียมใจทุกได้เลยเมื่อความผันผวนแปรป่วนมาถึงมันก็เมือนกัการกินปลานะปลาที่มีก้างเนี่ยกินปลาที่มีก้างเนี่ยถ้าไม่ระวังเนี่ยก้างปลาก็ตํำคอแต่ถ้ากินอย่างมีสตินะ แม้ปลามันจะมีก้างแต่มันก็ไม่ต่าค อ, อก็ได้สิ่งทลายตั้งปวงเนี่ยมันให้ความสุขกับเราก็จริงแต่ว่ามันก็เจอไปได้ทุกเนีมันมีทุกแฝงอยู่นะที่จริงเนี่ยมันเป็นตัวทุกเลยทีเดียวว่าโดยยอดขันทั้งห้าเป็นตัวทุกนีลูกสามีภรรยายงานการทรัพย์สมบัติพวกนี้เนี่ยเป็นสังขาร เป็นตัวทุกข์แม้มันจะให้ความสุขกับเราแต่มันก็เจอไปได้วยทุกข์อันที่ลงไปถึงสุขภาพร่างกายด้วยนะวันที่สุขภาพเราดีโอเราก็มีความสุขใช้ร่างกายในการหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลี้ยงทางกายหรือไม่แต่ทางใจแต่ว่าสุขเพราะ ร่างกายก็ทุกข์เพราะร่างกายเหมือนกันอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวนี้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ย พ, พอแก่ชราเนี่ยมันทุกข์เพราะร่างกายมากทีเดียวไม่เหมือนตอนหนุ่มสาวนี่มันสุขเพราะร่างกายแต่พอแก่ตัวนี้มันทุกข์เพราะร่างกายแต่ว่าถ้าไม่ยึดถือมั่นในในสังขารในร่างกายหรือไม่ยึดติดเพลิดเพลินหลงไหลใน ความสุขเพราะสุขภาพดีเนี่ยถึงเวลาร่างกายมันแก่ชราถึงเวลาสิ่งต่างต่างมันเสื่อมไปเราก็ไม่ทุกข์ก็ได้เพราะเหตุแ่งทุกข์ที่แท้นเนี่ยมันอยู่ที่ความยึดติดถือมั่นไม่ใช่อยู่ที่ความผันผวนแปรปรวนหรือว่าความไม่เที่ยงที่เราเรียกว่าอนิจจัง เพราะนั้นเนี่ยเวลาเรามีความสุขเนี่ยก็อย่าลืมนะอย่ามัวแต่เพลินในความสุขจนลืมลืมอะไรนะลืมพิจารณาลืมเตือนใจตัวเองว่าไอ้สุขที่มีอยู่มันไม่เที่ยงนะเนี่ยสุขเพราะสุขภาพสุขเพราะลูกสุขเพราะสามีภรรยาสุขเพราะทรัพย์สมบัติสุขเพราะงานการสุขเพราะชื่อเสียงมันไม่เที่ยงนะ เตือนใจย้ํากับตัวอยู่เสมอว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่ไม่นอนให้เขาไม่เที่ยงหรือว่าการเตือนใจว่าเนี่ยมันไม่แน่นะ น, นี่นเป็นธรรมะสําคัญทีเดียวนะหลวงพ่อชายนีย่ท่านท่านไม่ได้สอนอะไรมากนะท่านจะสอนแต่ในเรื่องว่าให hey, ้เรื่องลึกว่ามันไม่แน่นะมันไม่แน่นะ มันไม่แน่ก็หมายคว่าไอ้ที่มีอยู่เนี่ยมันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นอื่นได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสุขก็สามารถจะกลายเป็นทุกข์หรือว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ก็สามารถจะกลายเป็นสุขได้อย่ามัวแต่เพลินในสุขจนลืมเตือนยำ้ำตัวเองเสมอว่ามันไม่แน่นะสิ่งที่มีอยู่ สิ่งที่ให้ความสุขกับเรามันก็จะแปลเปลี่ยนไปได้นอกจากหมันเตือนใจตัวองยู่เสมอแล้วก็ต้องหมั่นฝึกจิตด้วยนะหมั่นฝึกจิตให้รู้จักปล่อยรู้จักวางเพราะว่าถ้าเตือนใจบางทีมันก็เตือนได้ประเดี๋ยวประดาแล้วมันก็เข้าไปยึดติดถือมั่นใหม่ฝึกนะฝึก รู้ฝึกปล่อยฝึกวางปล่อยวางสิ่งที่ให้ความสุขกับเราในเวลานี้บ้างนะแต่ว่าการปล่อยวางสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะยากนะถ้าว่าเราไม่รู้จักฝึกปล่อยฝึกวางสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเราอารมณ์ ความคิดที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยพวกนี้มันเป็นแม้มันจะเป็นอารมณ์อกุศล น, นะแต่มันเป็นแบบฝึกหัดที่ดีมากเลยนะในการฝึกนะในการเป็นอุปกรณ์ในการฝึกให้ปล่อยวางมีความเครียดมีความหงุดหงิดมีความรำคาญใจมีความโกรธนะซึ่งล้วนแต่เป็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบ มันเป็นมันเป็นแบบฝึกหัดที่ดีในการปล่อยในการวางอันที่เรามาเจริญสติมาทำความรู้ตัวเนี่ยเพื่อจะมาฝึกปล่อยฝึกวางอารมณ์เหล่านี้มันมาเพื่อมามันมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ที่จะปล่อยที่จะวางมันลงนถ้าเรารู้จักปล่อยวางอารมณ์เหล่านี้ได้ นะอารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยต่อไปอารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์ที่เป็นบวกเช่นความสุขความปิตินะความเพลิดเพลินเราก็ฉลาดในการปล่อยการวางนะเวลากินอาหารอร่อยเวลาฟังเพลงเพราะมันมีความสุขเวลาเที่ยวแล้วมันมีความเบิกบานอา้าวให้รู้จักฝึกปล่อยฝึกวางบ้าง คือรู้เท่าทันเมื่อมันเกิดขึ้นตอนเราเริ่มจากการฝึกปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นอกุศลและต่อไปเราก็มาฝึกอารมณ์ที่เป็นกุศลใครชมเรา เ, ออเราก็เพลิดเพลินแล้วก็วางมันลงใครตําหนิเราเราไม่พอใจเราก็เห็นความหงุดหงิดแล้วเราก็รู้ทันแล้วก็ปล่อยวาง ต่อไปเนี่ยเราก็จะปล่อยวางสิ่งภายนอกได้ได่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหน้าตาชื่อเสียงที่มาพร้อมกับเกียรติยศต่างๆเมื่อเราฝึกปล่อยฝึกวางได้นะน้องก็ทํทำให้เรามีความพร้อมในการที่จะรับมือกับความสูญเสียสิ่งที่รักหรือของรักของห่วง เวลาเวลาสิ่งเหล่านั้นอยู่กับเราเราก็มีความสุขแต่เราไม่เพ่อเพลินหลงไหลแต่พอสิ่งเหล่านั้นสูญสลายหายไปเราก็ไม่ทุกข์อันนี้เรียกว่ามีความสุขได้โดยไม่ทุกข์เหมือนกับกินปลาแต่ว่าก้างไม่ต่ำคอแต่ทั้งหมดนี้มันต้องใส่ใจนะในเวลาที่เรามีความสุข ไม่ว่าสุขพ่อสุขภาพดีสุขพาะมีงานมีการสุขพาะมีคนรักแวดล้อมในขณะที่เรามีความสุขเนี่ยนะก็จะเพลินกับมันจนลืมฝึกตนมันเป็นโอกาสสําหรับการฝึกตนฝึกจิตฝึกใจให้รู้จักปล่อยรู้จักวางเริ่มต้นจากการที่มันพิจารณามันไม่เที่ยงนะมันไม่แน่นอนสิ่งที่มีอยู่วันนี้มันก็จะต้องสูญหายไป อย่าไปอย่าอย่าไปรำคาญอย่าไปมองข้ามนะว่ามันไม่สำคัญถ้าเราทั้งนี้ไปเรื่อยๆฝึกไปสม่าเสมอเนี่ยถึงเวลาเจอความผันผวนแปล ป, ลปลล่วยเราก็จะรับมือกับมันได้เราก็จะไม่ทุกข์หรือว่าทุกข์น้อยแต่คนจำนวนมากเนี่ยพอมีความสุขแล้วมันก็มักจะเพลิดเพลินลหลงใหลในความสุข เราก็ไม่คิดที่จะฝึกตนบางทีกูบาอาจารย์ก็พูดก็สอนแต่ว่าไม่อยากจะคิดเพราะว่าฉันมีความสุขอยู่แล้วคนเวลามีความสุขเนี่ยมันไม่ค่อยสนใจธรรมะเนี่ยมาสนใจธรรมะก็ตอนที่มีความทุกข์แล้วแต่ถึงตอนนั้นก็อาจจะสายไปเพราะว่าความทุกข์มันมันรวมกันหนาซ้ําเติมจนกระทั่งโงอหัวไม่ขึ้น นึกถึงทำมากข้อหนมันก็เอามาใช้ไม่ได้เพราะว่าใจมันไม่ไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้ น, นกับผู้คนจำนวนมากนี่เรียกพ่อพาะประมาทประมาทประมาทโมลเมาในความสุขฉนั้นตระหนักอยู่เสมอนะว่าเตือนอยู่เสมอว่ า, าความสุขที่เรามีเนี่ยมันมีความทุกข์พ่วงมา้วยเสมอมันเป็นแพ็กเกจเดียวกันเตืนอนใจตัวเองอยู่เสมอ เราได้ไม่หลงเพลินในความสุขมาก